أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عباد الذين آمنوا ا تقوا ربكم ل ل َ ذ ِ ي ن َ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ح َ س َ ن َ ة وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُحْفَصُ صابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله. มุคลิ ف الله الدين وأمرت لي أن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلص ا ل َ ه ديني فأعبد ما شئت من دوني ل إن الخاسرين الذين خاسرو أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ب ب ع, ع ل ى ذلك هو الخسران المبين إسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ع م ا ل ن ا ي ม่ย د ่งเลย فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له وشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ل ل ه له. ش ه د أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب ك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ ب ك الله ل م َ ا ت ِ ا ل َِ ت َ م ا ت ِ م ن شَرِّ مَا خَلَقَ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ش ي ء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع ل ع ل ي م رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل و س و ء ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ا ل l a h u m m a fatiras s a m m a w a عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أ ق ت ر ف على نفسي س و أو ا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما ف ي ه ذ ا اليوم وخير ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومؤمن المشركين سبحان وب الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่วุ่มนำมาซุบะที่มัสยิดอันวาริสุนนะและพี่น้องที่ติดตามรายการตัปสีอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านทา่านอัลฮัมดุลิลละในช่วงโควิดเนี่ยมุมลิมเนี่ยต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละจะกล้าย่างอื่นไม่ได้ในสมัยนบีมีอยู่คนหนึ่ง ชืออามิดชื่ออามิดไม่ใช่มุสลิมชื่อมันมุสลิมแหลชื่ออามิดบินทูไฟลเป็นหัวหน้ า, าในฮะดีส์นัที่บอกว่าเป็นหัวหน้าพี่น้องครับเป็นหัวหน้าคนกาเฟตเป็นหัวหน้ามุชลินดูถูกนบีเหยียดหยามนาบีท้านาบี พูดแปล ว, ว่าเราทําสงครามกันไหมล่ะอท่านตูเฟนนี่บอกว่าฉันมีพวกของฉันสองสมพันคนมาทําสงครามกับฉันไหมนี่การดูถูกนบีแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ข้างบนไม่พอใจนะแล้วก็ชายคนนี้เนี่ยไปนอนอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นนี้ไปนอนแอบแอบไปนอนในบ้านผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมุสลิกด้วยกันนั่นแหละ แล้วก็ต่อมาผู้ชาคนนี้ติดโรคที่นอนอยู่ในบ้านผู้หญิงนเนี่ยติดโรคนะเราไม่โรคอะไรโรคระบาดแบบนี้แหละเขาเรียกว่ามะตองหุนถูโรคระบาต ด, ดติดพอติดภาพก็เสร็จแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามโรคนี้เขาว่าโรคนี้จิบจิบโรคนี้ไม่มีอะไรหรอกมันก็เกิดขึ้นกับสัตว์ เกิดขึ้นกับสัตว์ทั่วไปนั่นแหละเกิดกับวัวบ้างเกิดกับแพะบ้างฉันไม่มีปัญหากับเรื่องจิบจิบเสร็จแล้วก็พอติดแล้วเสร็จแล้วก็เขาสั่งม้ามาตัวหนึ่งเขาเขามีม้าเองนะคนมีสตังค์นะนะก็ขีข่หลังมาแล้วก็ไปตายบนหลังมา้าเอาม้ามาขี่บนหลังมา้าแล้วก็ด่าไงพูดด่าโนบี แล้วก็โรคระบาดนี้จิบจิบอ่าพูดว่าไงนะมันเกิดกับแพ้เกิดกับสัตว์กับคนไม่เท่าไรหรอกนะแล้วก็เลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็เอามมามาแล้วก็ขี่ไปหนไม่ทราบต่อมามาตายบนหลังม้าหันดึกบันทึกโดยอิมามนาซาอีเนี่ยเห็นยังครับฉะนั้นอย่าดูถูกโรคอะไรก็ตามที่อลัลลอฮส่งมาเนี่ยว่าต้องกล่าวว่าไงนะ อัลลอฮ์เนี่ยส่งโรคนี้มาเพื่อมาอไรอยู um ่อัจติบุไม่อย่าชะลัดจงนึกแบบนี้นึกที่น บ, บีสอนนะนะครับอัลลอฮ์ลงโทษผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์วรรณะตุลล hm ินมุม uh ินีนแต่โรคระบาดนี้เป็นรธรรมะสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นน บ, บีก็สั่งว่าถ้าใครรู้ข่าวโรคนี้มาเนี่ยเรื่องมันหนึ่งพันสีรอปีแต่จุจุดนะฮัดดิสกลมังบุคอรีนะอ่านไปจะเจอ ผมอ่านเขาจำแล้วก็ให้นึกอยู่บ้านนี่กักตัวนี่ทาไมจะเป็นจะออกข้างนอกอยู่ในบ้านให้มากที่สุดนะซอบิรอนอยู่ด้วยความอดทนและวหวังรางวัลตอบแทนจาก a l l a แล้วก็ถ้าเกิดมุมินมุสลิมคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตเพราะโรคนี้ผลบุญเท่ากับตายอะไรตายชาฮีดแตฮ่ฮามดุ ล, ลิลลเห็นยงครับ แล้วพเราเราตาแล้กวก็ต้องฟื้นนะ่ะนะครับเราตายเรยาต้องฟื้นนะเอาวันนี้เรมทำจุลินะเรามาทบทวนตับซีดนะในช่วงโควิดเราก็ไม่ได้หยุดนะ <c oughs> เออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ่ะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งดีมากอายาัดยที่เก้ า, ายัสุดท้ายอัมมันหัวกนิตุนอานาอัลไลลิซาจิดา ซาดิ عون وقائما يحذر الآخرة ويرجور حمدا ربي เอาแค่นี้ก่อนคนที่คนมุมินเนี่ยผู้ศรัทธาต่ออัลละฮ์ที่มีตักวามี إ ي م านเยอะๆเนี่ยเขาจะอะไรนะกอนิดแปลว่ายืนยืนทำอะไรครับยืนละหมาดในเวลากันคืน ช่วงตีสามตีสองตีสามตีสี่ก่อนด้านสุโบสักชั่วโมงนึงอ่ะอือทีนี้เวลายืนนมาสเนี่ยใจนึกอะไรกุณอ่านสอนเลยนะครับยัฮิรุยัฮิซาลลาคือเราใจกลัวการลงโทษในโลกอาคีรอถ้านนึกแบบนี้นะขเขาจะใจไม่ลอยท่านึกอย่างอื่นจอยใจลอยหมดยัฮิซาลลาคืเรากลัวการลงโทษในโลกอาคีรอ ทำไมเออาคอรอ ก, ก่อนแล้วกันเห็นมเพราะเราเนี่ยเป้าหมายเราอยู่ในโลกอาคือรอไม่ใช่โลกดุนยาดุลยานี่เป็นการทดสอบธรรมดาท่านยะ ร, รุลอาคอรอนี่ยอลัลลฮสอนเลยนะสอนผ่านนบีมุฮัมมัดให้นบี ม, มาสอนพวกเราวันนี้ว่าลุกขึ้นนามาตะหันยุทุกคืนคนที่เป็นมุกมินผู้ศรัทธาต่อรอดเนี่ยต้องลุกขึ้นนามาตะหันยุดธครับ อย่างน้อยสองราก็อัดวิเทศสามล้วใจนึกอะไรกลัวจะนึกไม่เป็นเอาเราสอนเลยยะเจรุลอาคือเราใจกลัวการลงโทษในโลกอาคือเราแล้วก็นึกอีกอย่างนึงว่ายรยู่เราหัมาต่อบบิฮิแล้วก็หวังความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของเขาขณะที่เขาทำความดีใจนึกแค่นี้ครับอย่างนี้ พระเว้าใจลอยเปล่าไม่ลอยครับนี่เขาเรียกว่านึกถึงอัลลอฮ์ไงใจผูกพันกับอัลลอฮ์ถ้าเป็นนึกสีคอนอันนั้นใจลอยนึกถึงเมียอันนั้นใจลอยนึกถึงนู่นนึกถึงนี่ใจลอยเวอร์ท่าไรแบบนี้จะใจลอยไหมมารยาใจัยพ่อเดินตามอัลกรุรอานสบายใจไหมอัลฮัมดุลิละเอาวันนี้มาอายาที่สิบ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إ ت َّ ق ُ و ا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إنما ي و ف ى الصابرون أجرهم بغير حساب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا ف ي ه ذ ه الدنيا حسنة وأرض َُْ وأ الله َِّ واسعة ََِ إنما ََِّ يوفى ََُّ الصابرون ََُِّ أجرهم ََُْ بغير َِِْ حساب ٍَِ الحمد لله يعني Allah อัลลอฮฺให้ความรู้ผ่านนบีนะเพราะนบีอ่านหนังสือออกไหมอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแล้วความรู้ได้อย่างนี้แหละจิบรินนำอามะ เอามาให้นบีเลยมาดนที่ใจนบีเลยกุลรูดูสับนะมุฮัมมัดเอ๋ยจงจ ง, ยนะจงพูดแทนลนล้อในอธิบายนี่คอธิบายนะจงพูดแทนนล้หในมาด่าว่ามาตบลีกบอกว่าไงย า, ยาอิบาตโอปวงเบาอัลลีนะอามานูปวงเบาผู้ศรัทธาเอ๋ย เนอเลเรียใครเรียกกลุ่มผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั่วโลกเรียกมาสอพันกว่าล้านเนอเลเรียนะยาอิบะดิลลาฮีนาอามานุพวงเบาผู้ศรัทธาเอย๋ยอัลลอฮฺบัดผู้เรียกพ่อนะกุลยาอิบาดิลลาีนาอามนโอวงเบาผู้ศรัทธาเอย๋ยคาว่าผู้ศรัทธาอีมาเนียมายังไง ต้อง إيمان หัวข้ออิมั่มนต่อ Allah อิมั่นต่อ Rasul อิมั่นต่อมาละอิกะอิมั่นต่อวนันอัคราอิมั่นต่อวันอิมั่นต่อคำพีอิมั่นต่กกอกฎกฏกฏดั้งของล l l a h กฏดั้งอธิบายอย่างนี้ใครจนใครป่วยใครตายใครแข็งแรงไม่แข็งแรงใครจนใคร abusive, ใครวยใครแต่งงานมีลูกไม่มีลูก Allah รู้รับผิดชอดบแต่เป็นผู้เดียว นี่ก็ดอกรักโรคโควิดมาอย่างนี้เอเลากําหนดคนอื่นกําหนดไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยโลกในโลกนี้ด้วยความบังเอิญไม่มีครับใจตรงนึกลยตรงนี้เสมอ น, ะมอามานั่นก็เรียกว่าอา m a n u ทีนี้อิมานเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแบบไหนหรู้เป่าอิมามอิมานมันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งโดยการอ่านกุราเนี่ยศึกษาอัลกุรอานที่เราอ่านอยู่เนี่ยอิมานเพิ่ม สองน้มาดห้าเวลาอย่าขาดเราก็เก็บสุนัตหน้าหลังด้วยนมาดทหัรยุดด้วยน้มาดดูฮ้าดูวันี้วา ท, ทใช่ไหมน้ำหมาดดูฮ้าด้วยเมื่อคืนนมาดทหัรยุทธด้วยใช่ไหมถ้าให้มีมานเพิ่มข้อที่สามบริจาคไม่มีที่บริจาคก็เอาในตูมุสยิดเนี่ยสักห้าสิบาทร้อยหนงใส่ไปข้อที่สมข้อที่สีขอดูอาสม่ําเสมอ ยิ่งช่วงโรคระบาดแบบนี้ต้องขอดูอาประจำขอดูอาบทนี้อัลลอฮุมมุอินีอัอูบิยามินอลบารุสีวลยูนูนีวลยูซัมวามินไซยิลอัสกอมไนตีนโควิดโควิดไนนะครับเราคุ้มครองกบใจเผื่อเผื่อภรรยาครอบครัวพี่น้องมุสลิมทั่วโลกหมู่บ้านขอไปเลยีปน้องครับผมขอทุกวันวันหลายรอบ แล้วก er huh? in mm ็ติดต่อกับเครือญาตินี่ปิ๊กเป็นไะไรนะถ้าปฏิบัติสิ่งเหล่านี้นะอิมานมันเพิ่มแล้วก็ให้อภัยกับคนอิมานเพิ่มไหมเพิ่มฉะนั้นกุลยาบดิลลาดีนะอามานูบรรดาผู้เออหมัดเอ๋ยจงพูดแทนอัลลอฮ์หน่อยปวงปวงเบาบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย อาเมานูเนี่ยอีมานนี่มันจะได้มาดังนะั้นโดยการนมาโดยการอ่านกุรุอานโดยการบริจาคโดยการขอดุอาโดยการสิกรุลล้อติดต่อกับเครือญาติต้องทำผู้อันล้อให้หมดนะอีหมานมันเพิ่มแล้วก็ต่อมาอิตากรบบกุมจงสํารวมตนต่อพระผู้อภิบาลของท่านอย่าทำบาปอีมานกับตักวานี่ยไม่เหมือนกัน คนที่มีอิมานเยอะๆนี่อยากทําความดีอยากนมาดอยากให้อภัยคนใครด่ามาใ ห, ให้อภัยแบบน บ, บีมุฮัมมัดน่ะนึกถึงวันที่ไปเมืองตออีฟนะ่ะเป็นไงถูกนุ่นถูกนี่มาน บ, บีขออุทิศรอจารอภัยจะโทษแล่ะลงโทษก็เลยนี่ไงอิมานส่วนตักวาอธิบายอย่างนี้ตักวาเนี่ยไม่อยากไม่กล้าทําความชั่ว เขวตากว่ามีคนมายืนด่าหน้าบ้านเราไม่ด่าตอบด่าตอบได้ไหมได้เราก็ด่าคล่องจะตายไปเสียงก็ดังกว่าด้วยแต่เราให้อาภาัยนี่เขวตักว่าแล้วก็มานั่งนั่งคุยกันในบ้านนินทากูนั่นนินทากูแต่เราไม่นินทานัน่งฟังเฉยแล้วก็ลุกประจังอื่น เราไม่นินทาแสดงว่าเรามีตักว่านเนี่ยคนที่ไม่กล้าทําความชั่วเรียกว่าตักว่าอีมานกับตักว่าแตกต่างกันนะอธิบายใหม่นะอีมานหมายถึงแรงบริจาคอยากทําความดีอยากจังนมาศอยากจะอ่านกูร์านอยากขอดุอาอยากสิกรุลล้ออยากทําดีกับพ่อแม่อยากให้อภัยนะั่นก็เรียกวอีมานแรงแรงอีมานหมดเลยส่วนตักว่าเนี่ยอะไรนะ ไม่อยากทำความชั่วยทะเลาะ ก, กันฉันไม่เอานินทาไม่เอ า, า, มเอาผมเคยทํามาเยอะแล้วตอนนี้ตอบ้าตัวแล้วเรียกว่าตักว่าเข้าใจนะอีมานกับตักว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันต้องอธิบายต้องเข้าใจาท่านนใครที่มีตักว่าเยอะๆนี่นะโรคระบาดไม่ติดครับคนที่มีตักว่าเยอะๆดีนะเวลาทาปัญหาอะไราก็ตามมีทางออก ส, สาหรับชีวิตคนที่ไม่ทําชั่วนะ ไม่นินทาคนไม่ว่าคนทั้งทั้ที่ดุกดาถูกว่าเนี่ยมันน่าจะตอบได้ตอบได้ทำไมจะตอบไม่ได้อย่างนี้เขารยคนมีตกวัาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งนะคนที่มีอีมานกับคนที่มีตกวัาว่าไงลิลลัลทินะอัลสนูอัลลอ์ประกาศให้รู้เลยนะสำหรับผู้ที่อัลสนูบรรดาผู้ที่ทำความดี ทำความดีนี่ยต้องอธิบายยังไงนึกเองไม่ได้ความดีนึกเองได้ไหมไม่ได้ทําความดีก็ต้องเดินตามที่อัลลอฮ์สั่งเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดบอกสวาบมีนบีให้ทําความดีมีอะไรบ้างทําความดีตามนั้นเลยการเชื่อนบีนี่เป็นความดีหรือเปล่าดีอ่านกัมอีร์ความดีหรือเปลอดีทําดีกับพ่อแม่ความดีไหมความดีนั่นแหละทํา คนที่ทำความดีบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอ์กล่าวว่าไงฟีฮาซิฮดุนยาในโลกดุนยาใบนี้ทำความดีก่อนตายบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยรางวัลมีเปล่าเอาดูศัพ์ต่อไปฮาซานาตุ น, นมีความดีตอบแทนครับใครที่ทําความดีบนโลกดุนยาใบนี้โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอีมานกับคนที่มีตักวา บนโลกดุลยาใบนี้ก่อนตายเขาทาความดีอะไรก็ตามมีรางวัลตอบแทนหมดเป็นความดีสบายใจไหมอัลฮัมดุลิลละเห็นยัง <c oughs> ท่านความดีให้ทําดี๋ยวนี้คือเป็หลักฐานนะ่ะอายานนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮฺสั่งผู้อีหมานทุกคนกับคนที่มีตักว่าทุกคนให้ทําความดีการทําความดีบนโลกดุลยาใบนี้มีรางวัลตอบแทนเป็นความดีมีไหมมีครับ ความดีบนโลกดุนยาไปเนี่ยอธิบายอย่างนี้ในตำสิท์หลายๆเล่ม น, นะผมนั่งนั่งเช็คดูนะหนึ่งร่างกายแข็งแรงนี่เป็นความดีที่มาเจอเราไม่จะเกิดเองนะอย่าเข้าใจผีตัวฉันร่างกายแข็งแรงไม่ติดโรคโควิดเพราะฉันใส่อะไรนะักงก้กหน้ากากฉันกักตัว เองก็ทําหน้าที่ของเองไปก็แล้วกันแต่ผู้ให้ร่างกายคุณแข็งแรงคืออัลลอฮ์พอคุณทําความดีน่คุณสายนากากทําความดีหรือเปล่าทําความดีที่ที่อะไรที่ก็ะรวงเขาสั่งมาให้ทํางี้อย่างงี้อย่างงี้แล้วก็ทําตามแต่ใจต้อเนื่องของินนบีสั่งมาแล้วใส่หรือไม่ใช่หนึ่งอัศรรย์สุขภาพแข็งแรงสอง ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมีสองอย่างอาลัลลอฮ์ให้บนโลกบนโลกดุญยาไปนี้แต่สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลล์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เยอะหนึ่งหัวใจสงบคนที่ทำความดีมีรางวาัลตอบแทนหนึ่งหัวใจสงบครับแล้วก็ไม่ผูกพยาบาทคนไม่แก้แค้นคนไม่เอาเรื่องกับคนอภัยให้ภรรยาวันละเจ็ดสิบครั้ง ภรยาทำอะไรไม่ถูกจะไม่เราเองก็ทำผิดตั้งเยอะแยะให้อภัยอบรมลูกคุยกับภรยาดีๆอย่าทะเลาะกับภรยาอย่าด่าภรยาคุณเป็นอะไรบันดังนั่นั่งด่าคนอยู่เนี <c> ่ย <oughs> นี่ไงเวลาเราเข้าใจคุณอานอัลฮัมดุลิลลาอัลออในชีวิตเราเนี่ยต้องนึกถึงใครนบีมุฮัมมัดเป็นแบบ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين สำหรับผู้ที่อัศนูบรรดาที่พวกเขาทําความดีฟีหาทิฏยาบนโลกดุนยาใบนี้ฮัสานาตุนมีความดีตอบแทนบนโลกดุนยาใบนี้แล้วคนมุสลิมน่ะความดีตอบแทนกี่โลกสามโลกเลยนะดุนยาก็มี นอนอยู่ในกูโบก็มีฟื้นขึ้นมาในโลกอาคิรามีอีกไหมมีอีกมีมกมสวนสวรรค์ในฮามดุลิลลาสบายใจอัตวมาว่าอัลลอฮว่าอับว่าแผ่นดินทำไมใส่อัลลอฮ์เราเรเป็นเจ้าของอะแผ่นดินนี่ของอัลลอฮ์อัลลอ์เราเนี่ยเป็นผู้จัดการที่อัลลอ์ให้มาเป็นเจ้าของแค่หนึง่งหนึ่งงาน โอ้กางแล้วลดกลางไป ห, หมดนี่ยอัลลอฮ์ให้เองมาหนึ่งงานเนี่ยกว่าจะได้มา เ, ง, เงื่ออกเท่าไรอัลลอฮ์ต้องโกหกตอนแรกเท่าไรข อ, อกกโทษพูดแล่ะพูดตะแล่ะแหลกไปหน่อยกว่าจะได้เงินมาเนเหนื่อยขนาดไหนนั่นต้องนึกนีอัลลอฮ์ให้มานึกแบบกอรุณ น, นะผ่านไหมล่ะกอรุนว่าเงินได้มาความสามารถของฉันความคิดของฉันแล้วเป็นไงครับ มีงินเยอะอัลลอม์ให้แผ่นดินซูบอัลลอฮ์แผ่นดินของอัลลอฮ์วาสอยตุนกว้างใหญ่ต้องอธิบายอย่างนี้ถ้าอยู่บ้านเราตรงนี้สิ่งแวดล้อมมันไม่ดีพาลูกเราพาเมียเราพาตัวเราเนี่ยทำให้เสียคน มีแต่คนนี้กินเล้าคนนี้เล่นการพอคนนี้ทะเลาะ ก, กันอยู่ในบ้านไม่มีความสุขเลยโอกาสจะลูกขึ้นนมาแต่หัดยุตก็ไม่ได้จะอ่านคูร์อ่านก็ไม่ได้วันร้องว่าวัดนมาที่มัสยิดก็ไม่ได้อ ไ, ไ, ดอด ไ, ไ, ดไอ้โคกีมาเนี่ยอันนี้เยอยะอภัยโทษได้แต่สิ่งแวดล้อนในบ้านไม่ดีเนี่ยทําไงครับร้องบอกว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นวันร้องว่าวัวา่าสิ่งอ่ะแผ่นดินมันกว้างขวาง อยู่ตรงนี้ทําความดีไม่ได้ไปไปหาที่อื่นอยู่อพยพไปอยู่ที่อื่นแบบนบีอพยพจากมักกะไปอยู่ที่นครมดีนะเห็ใไหมเห็นยังครับนั่นอรรถนบีทำทำทำเป็นแบบเอาไว้อ่ะเราก็มีแบบโอ้ถ้าอยู่ของเคสไม่ได้อพยพไปอยู่น้องบอลอย่างนี้เป็นต้นนะไปเจ อ, น อ, อนหนังบอลหนักกว่าเก่าอีกเอา้ากับมักของเคสดีกว่าอะไรก็ตามแต่นี่เราเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้น อัตมาครับอินนามายุวัฟฟาบรูนอาจารหุมบรายดีฮิซับอินนามานี่แปลว่าแท้จริงอ่าวัฟฟาแปลว่าครบบริบูรณ์วัฟฟา คบบริบูรณ์อัสรอบรูนผู้ที่อดทนทั้งหลายอาจราหุมรางวัลของพวกเขาเบรยอยเรียกหทราบรอยรีไปว่าไม่ต้องให้ทราบคิดบัญชีรางวัลของผู้อดทนนั้นไม่มีการคิดบัญชีอธิบายยังไงในวันเกียร์มาเนี่ยผลบุญนามาดคิดบัญชีครับมีมีแล้วาเรียกว่ามีตาช่างเอาช่างนามาด มีเท่าไร่ช่างอากาศมีผลบุญเท่าไรช่างความดีกับพ่อแม่ผลบุญเท่าไหร่มีหมดไปทำํำพิธีทํำบุญร้อเดินมามัสยิดให้อภัยมีตะช่างช่างหมดยกเว้นอยู่อย่างเดียวเอาหลอดช่างไม่ได้เพราะผลบุญมันเยอะคือผู้ที่ดอดทนกระจายยังทำดูลิเลยเห็นยังครับสอนใครสอนตัวเราเอง อ, อ่านกุนอ่านน่ย อินนามะยุวัตสระบรูนัจราห์มบิไกริเศษเแบบนี้นะบัญชีนมาดมีครับตะช่างมีไหมมีตาช่างนมาดตะช่างทําพยีตะช่งางถือบัวตะช่างทําอุ้มราถตะช่า ง, งทําความดีกับพ่อแม่ตะช่างเดินมาหมดมีรางวัลหมดมีตะช่างาหม ด, มหมดช่างช่างแล้วก็มอ บ, ม บ, มบรางวาัลให้แต่ไม่อยู่เรื่องเดียวไม่มีตะช่างอะไรรู้ไหม อดทนครับซอบิตตะว่าผู้ที่อดทนฉะนันอดทนอธิบายอย่างนี้อดทนมีอยู่สามอย่าง อ, อดทนไม่ทำไม่ทาชั่วสองอดทนทำความดีถ้าลุกขึ้นมาทหายุทเนี่ยต้องอดทนว่า อ, าลอพลิกแล้วพริกอีกจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ย อัลลไอนอนนี่มันอให้มามันนอนสบายด้วยอลออับบัตินอนก็ดีมีเอวมีแอร์ขึ้นไหวหรือเปล่าหลายคนโทรศัพท์มาหาหมวพ่อเจ้าพอคิถึงชีวิตในกูบวงขึ้นไหวอ่ะนึกถึงชีวิตอะไรนะตอนที่มาลิกามาสอบน่ถ้าไม่ขึ้นนมาตัหยุดไหวอ่ะก็เอาอะำนัลอให้คุณน่ะ คดเคียายา้ยวอย่างๆปตามใจจะคิดแบบไหนก็าตามแต่แต่ต้องรู้ขึ้นนำมาแตหันหยุดให้ได้อดทนในการทําความดีอดทนไม่ทําความชั่วแล้วก็อดทนตอนมีมุสีบ้าเข้ามามีความเดือดร้อนมีความลําบากมีเงินทองน้อยเข้ามาเป็นไงครับห้าโววายอ่ะนั่งนิ่งๆเฉยๆขอดถอายตลอดนี่แหละรางวัลเยอะมากเอาอะไรมา มาคำนวณไม่ได้เอาตาชั่งมาชั่งไม่ได้เพราะมันเยอะเหลือเกินนั่นอย่างครับสบายใจไหมนี่ ส, ง ส, งสง่งเสริมอะไรให้อดทนเข้าใจนะเอาต่อมาคุลอินนีอุมิรตุอันอาบุดัลลอฮามุคลิสัลลอฮุดีน قل إني أمرت أن أعبد الله مخلص اللّودين الله أكبر الحمد لله ในเรื่องที่สองอายาหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งในอายาอายใหม่นะอายาที่องการอธิบายว่าอัลลอฮฺบอกกับนบีวัลมาฮฺเอ๋ยให้คุณประกาศ ให้ชาวโลกอะแต่ถ้าตรงนี้ก็ประกาศให้ชาวอาหรับญาตินอบีที่นครมักการนั่นแหละนะบอกประกาศอย่างนี้อินเนอุมิรสุแท้จริงฉันนี่ยถูกรับบัญชาฉันนี่ถูกสั่งให้พูดกับประชาชนว่าฉันนี้นะถูกสั่งมาน่ะไม่ใช่คิดเองอ่าฉันนี่ถูกสั่งมาถูกรับถูกรับ บัญชามาให้อะไรอ่าบุญลลอให้เคารพพระดีอัลลอฮ์องเดียวสององได้ไหมไม่ได้าศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาเดียวที่สอนให้เคารพอัลลอฮ์กี่ององเดียวครับหนึ่งพันสี่ร้อปีคําพูดของนบีละก่อนหน้าในอีกตั้งแต่สมัยนบีอาดั ม, มาเนี่ยนับถืออัลลอฮ์องค์เดียวครับ นี่อัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบียืนประกาศบอกว่าอินนีอุมิรตุอันอับดุลลอแท้จริงฉันเนี่ยได้รับบัญชามาถูกสั่งมาให้ไรนะให้เคารพพักดีอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีกี่องค์มีลูกป่าอัลลอฮ์น่ะไม่มีมีภรรยาไหมไม่มีแต่พี่น้องเรากุมหนึ่ง ที่พูดว่าฉันเป็นนอซอรอนะพูดว่าอลัลลอฮ์มีภรรยาอลัลลอฮ์มีลูกชื่ออีซาอะไรอิสตัดาบเราพอใจบ้ไม่พอใจนะทั้งๆ ท, ที่อลัลลอฮ์ไม่พอใจอลัลลอฮ์ให้บ้านนะไปเลยราคาร้อยล้านเอารถไปเลยราคาเท่าไหร่สิบล้านเอาที่ดินนไปอีกมีธุรกิจการค้าเต็มไปหมดเอาไปเลยได้กี่โลก โลกเดียวดูกดุญยาพอตาจบไหมจบนับถือพระเจ้าหลายองค์เอาไปเลยเราไม่ว่าแต่บอกกับนบีนะถ้าเดินตามนาบีมูฮัมมัดเนี่ยนะปลอดภัยปลอดภัยทั้งโลกนี้แล้วก็โลกอาซาบการลงโทษหลังตายแล้วก็ฟื้นขึ้นในวันเกียรมาปลอดภัยหมดถ้าเดินตามนาบี รู้เปล่าลุงนบีชื่ออะไรที่เลี้ยงนบีนะอบูอไรอบูตอลิปอบูตอลิปนี่ปกป้องนบีนะแล้วก็รู้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยหลานเนี่ยจะได้เป็นนบีนก่อนหน้าคนอื่นประมาณยี่สิบปดปีสาเหตุที่รู้รู้อย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งนบี ท่านอบู ต, ตอลิฟเนี่ยพาพาหลานคือนบีมะมัดนี่แหละตอนอายุนบีอายุสิบสองขวบ <c oughs> ยังไม่ได้เป็นนบีนะสิบสองขวบเนี่ยพาไปทำการค่าที่ประเทศชาติที่ซีเรียปัจจุบันนี่แหละระหว่างทางเนี่ยมีบานหลวงคริสเตียนอยู่คนหนึ่งนคนนี้อ่านหนังสืออินยีลตาอง เป็นคนที่ยุติธรรมเขาก็เห็นว่ามีกองคาราวานจากมาการมาจะมาแวะที่บ้านเมืองของเขาก่อนที่จะไปถึงเมืองสางเนี่ยอลมยามัดอย่างหนึ่งก็คือเมฆเนี่ยนั่นจะคลุมกองคาราวานนี่จะไปไหนเมฆมันจะคลุมไม่ให้แดดเนี่ยอะถูกแรง ก่อนเมกไปไปับไปบังเอาไว้ท่านก็สกเกตู้เรารู้ข่าวว่ากองคารวาล น, นี่มีคนดีอยู่นั้นคนหนึ่งคือมุฮัมมัดน่ละเขาก็ดึงยืนรอเขาก็เชิญพวกกองคารวาลของอบู ต, ตอเลกเนี่ยไปกินอาหารที่บ้านเขาให้พักจอดก่อนเขาต้องการจะต้อนรับนบีมุฮัมมัดอายุแค่สิบสองขวบเอง เห็นอลาลามัดหลายอย่างอะพอกินอาหารจบเขาก็สังเกตนะท่าทางในการกินท่าทางในการเดินแบบหัวงวงจรปิดนะนะจับทุกทุกพอกินอาหารจบแล้วเนี่ยก็เรียกับบูตอลิฟมาบอกว่าโบตอลิฟนี่หลานคุณใช่ไหมบอกว่าใช่อายุเท่าไหร่สิบสองขวบคนนี้จะได้เป็นนบีคนสุดท้าย ของอิสลามเชื่อมูฮัมหมัดคุณดูแลหลานให้ดีจะได้เป็นนบีคนสุดท้ายอย่าให้เรื่องนี้ไปถึงคนยิฮูดีอย่าให้เรื่องการเป็นนบีของมูฮัมหมัดนี่ไปถึงหูยิฮูดียิฮูดีจะส่งคนมาฆ่าเห็นยังครับเราต้องการจะอธิบายนิดเดียวบอกว่าอบูตอเลมเนี่ย วันนั้นนบีอายุสิบสองเข้าใจนะแล้วก็นบีเด้รับวาฮีอายุเท่าไหร่สี่สิบใช่หรือไม่ใช่ออาบวกลบคูณหารกี่ปียีสบปดปีใช่ป่าวบวกลบคูณหารละกี่ปียี่สบปดปีรู้แล้วบาทหลวงคริสเตียน ที่อ่านคำภีตารออินยีนเล่าให้ฟังว่าหลานท่านคนนี้จะได้เป็นนบีคนสุดท้ายรู้ล่วงหน้ามากกอนตั้งกี่ปี28ปีแต่ทำไมอบูตอลิบไม่รับอิสลามเพราะว่าในใจไม่มีความอยากได้ทางนำที่ถูกต้องไม่มีในหัวใจของลุงแต่ต้องการจะปกป้องในฐานะหลาน เท่านั้นเองเข้าใจนะไหมเพราะฉะนั้นกุลอินเนอุมิรตุมูฮัมมัดเอ๋ยจงประกาศกับชาวโลกบอกว่าฉันนี่นะถูกบัญชามานะให้พักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวนี่ท่านลุงเดินตามนาบีนะจบได้ไหมจบไ ม, จ, บจบไม่จบจบไหมจบเลยละฮามดูลิละเป็นมุสลิมเลยใช่ไหมลนะ่ะแต่เดินตามเป่าไม่ตามไม่เชื่อว่าเป็นนบี ของเราทั้งที่รู้มาก่อนตั้งกี่ปียี่สิบแปดปีนะ่ะใครทำนายให้ก็พวกบาทหลวงคริสเตียนน่ยอย่างนี้เป็นต้นมุคลิซอนนับถืออัลลอฮ์แบบไหนครับต้องหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ละฮุดดีนนี่แหละเป็นศาสนา นับถืออัลลอฮ์องเดียวด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ในการพักดื่อต่ออะหันี่คือศาสนาอิสลามครับเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนว่าเวลานับถือพระเจ้าแล้วต้องนับถือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดเลยจะทำความดีทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์องเดียวไม่ทำเพื่ออื่นทำเพื่อชื่อเสียงได้ไมไม่ได้ทาเพื่อเงินไม่ได้ทาเพื่อตาแหน่งไม่ได้ทาเพื่ออะไรนะ เ, เกียรติยศไม่ได้ให้ทำเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยมีหะดีษบทหนึ่งข้ออิน ม, มามใบใบฮ า, าตีมันมันนะนะครับพูดบอกว่า <c oughs> มีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านนาบีมาถามท่านนาบีบอกว่าอารลอฮ์ไต์รอญุลุนยัลตามิซุลอะจุรวัซิคลมาละหูมาถามท่านนาบีว่ามีชายคนหนึ่งนี่นะออกสงครามแต่ในใจยนึกสองอย่าง <c oughs> นึก รางวัลในโลกอาคีรอดด้วยกับให้คนชมออกทาสงครามหนึ่งทำเพื่อโลกอาคีราะสองเพื่อให้คนพูดชมว่าเป็นคนวีรบุรุษถ้ า, ท, าท่าไม่ตายเป็นวีรบุรุษเนี่ยนึกสองอย่างมาถามนาบีเลย พอก็เราสูรุลลร้อ น, น บ, บีตอบท่านนึกสองอย่างลาชัยอัลลอฮูคนนี้ไม่ได้อะไรหนึ่งเนีย่ยทำความดีแต่นึกสองอย่างออกสงครามเนี่ยดีได้ไม่ดีเป็นงานอัมมันตุสอและยิ่งช่วงสิบวันเนี่ยก่อนถึงเนี่ยก่อนถึงวันอูกูฟเนี่ยให้ทำความดีให้เยอะ อ่านคุรานก็มีรางวัลถือบวยก็มีรางวัลเยอะมากเลยรางวัลเยอะมากนอกจากคนที่ไปออกทําสงครามแล้วตายแล้วไม่กลับมานั่นจะดีกว่าถ้าตายเรากลับมาหรือว่าไม่ตายเรากลับมานการถือสันอดการอ่านคุรานสุครุลล์ทําความดีเป็นรางวัลที่ดีกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะรางวัลที่เก้าก็วันวันวันบุกุฟนะตรงกับวันอะไรอ่ะวันจันทร์ของที่สิบเก้านะ แต่ น, นบีมีคนมาถามนาบีชายคนหนึ่งออกทําสงครามสงครามเพื่ออะไรเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์กลับให้พูดให้คนมาพูดชมเป็นยังไงนบีตอบเลยลาชัยอลัลลฮูนบีพูดลาชัยอลัลลฮูเขาไม่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แม้แต่นิดเดียวพูดสามครั้งทวนไปทวนมาทวนไปตัวสามครั้งลาชัยอัลลฮูลาชัยอลัลลฮูลาชัยอลัลอลฮู นี่อิสลามครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนาบีมุฮนะัมมัดผ่านนาบีคนอื่นๆเนี่ยทำความดีต้องหวังรางวัลจาก Allah, อัลลอค์องเดียวเท่านั้นต้องฝึกตัวเราอย่าทำเพื่อเพื่อคะแนนเพื่อตำแหน่งเพื่อเงินเพื่อคนชมเชยสรรเสริญ ไม่ได้หวังแต่ถ้าใครชมก็ทํำด้วยดีละพ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราตั อ, ตตอิป็นลูทฟีเชิญเพื่ไปรับรางวัล <c oughs> ไม่เคยเล่าเราไม่ฟังอันเกียรติยศดอกเตอร์ให้ให้บัตรุด็อกเตอร์ได้มาสองสองใบแล้วแต่ผมไม่เคยเล่าเลยผมไม่เคยเรียกว่าฉันด็อกเตอร์มุสตาฟาผมไม่เค ย, เยอย่าเรียกผม ผมต้องการให้เรียกครูผมถามว่าเอาตำแหน่งเนี่ยให้ผมทำามผมไม่อยากได้เขาบอกก็หะดิษมีใช่ไหมเพาะว่าความดีที่อัลลอ์มอบให้ก่อนตายเนี่ยมันมีอยู่บนดุญยาใบนี้เราไม่อยากได้แต่คนอื่นเขามอบให้ก็รักไปเถอะ ก็รับมาจากมหาัยปตณีจากอเมริกาอีกสองสองจิบักด็อกเตอร์นะเคยพูดไหมไม่เคยพูดก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากไม่อยากมีตแหน่องอะไรด็อกเตอร์บาุสตาฟาอยู่เป็นุปไม่อยากไ ม, ไม่อยากไม่อาดินคานี้ไม่อยากได้ยินชื่อ ม, มุสตาฟาธรรมดากว่าห้มโลยลนั่งจสุราอ่านกูอานเล็กรู้ลสอนตับซีดห้ามโดลยลสบาย เอาต่อมาครับตัวงว่าอัลลอฮ์รักหรือไม่รับท่านเนี่ยสองอย่างรับไหมไม่รับลาชัยอลัลลอฮวน่าพูดชัดนะพูดกี่ครัง้งสามครั้งตอนยึดคออิหมัมนาชาอีอาทีนี้ไม่ยึดนบีเป็นแบบขาดทุนไหมขาดทุนในโลกอาคีราอแต่สบายบนโลกดุนยาเห็นยังครับ ไม่เอาอย่างน บ, บีมูซาอัลลอสาา์ส่นมูซามาให้ซัมให้ฟาโรหให้กอรูฮามานเขาไม่เอ า, าใช่มามแต่บุตรดุญยาสบายั้มดุญยาสบายหมดเลยแต่อาครลอบยังไงครับตกนรกครับตั้งนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไรนะอายาที่ส2บสองว่าอุมิรตุลีอันอากูนอาวาลัลมุสลิมีน ว أ ُ م ِ ر ْ ت ُ لِأَنْ أَكُونَ أ ั و َّ ل َ ا ل ْ م แปลว่าฉันนี่นะถูกสั่งหรือถูกบัญชานี่สองครั้งแล้วนะพูดย้ำไปย้งมากี่ครั้งที่สองแล้วนะว่าอุมิรตุฉันนี่ถูกสั่งมาถูกบัญชามาไม่ได้คิดเองเพราะนาบับด อัลลอฮ์ส่งนบีมานี่อิสลามเป็นศาสนาที่มีนบีนบีไม่ได้แต่งตั้งเองไม่ใช่ที่ยอหูดีใส่ร้ายว่ามุฮัมมัดนี่ประกาศตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่โกหกพวกอาดับในคนครมักกะฮ์ก็นไมกันด่านาบีมุฮัมมัดด่าหลานตัวเองอ่ะประกาศตัวเป็นนบีมันตั้งตั้งมันเองมันคนอื่นไม่ได้ตั้งอย่างงี้ตน้ตนตน้นเดี๋ยวตรงกลางจะบอกว่านะว่าอุมิดตูชา น, นี่นะ่ะถูกสั่ง มาถูกแต่งตั้งมาถูกบัญชามาลีันอากูนะให้ฉันเป็นอาวันคนแรกอันมุสลิมีนผู้นอบน้องถ่อมตนในาศาสนาอิสลามแล้วจริงเปล่าในยุค ข, ของนบีมหามัดเนี่ยคนแรกที่รับอิสลามใครหลังจากนาบีอีสาเสียอีสลาขึ้นบนฟ้าไปแล้วเนี่ยนะ ห้าร้อยกว่าปีอิสลามไม่มีครับแล้วก็นบีมันเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วก็ประกาศตัวเป็นคนแรกจั่เป็นมุสลิมพี่น้องต้องคิดดูนะกล้าลในกลุ่มคนที่บูชาจเจวตตั้งกี่ร้อยในมัคการนะ่ะสมรอยหกสิบแล้วมายืนประกาศต่อหน้าคนที่บูชาจเจวิตนะ่ะ ฉันเป็นมุสลิมยึดอัลลอฮ์องเดียวนะ่ะถ้าใจไม่ถึงกล้าไหม <c oughs> ยิ่งใหญ่มากครับฉะนั้นนบีเนี Allah, Allah, ่ยอรอลางบัดใจชั้นหนึ่งเลยนะ่ะยืนประกาศอะไรนะอันอากูนอาวัลุลมุสลิมีนอาวัลลัลมุสลิมีน และฉันได้รับบัญชาให้ฉันเป็นคนแรกของปวงเบาผู้ศรัธทธาในาศาสนาอิสลามเป็นคนแรกด้วยที่เราเรียนมาจากในประวัติศาสตร์นะน บ, บีมัดเป็นคนแรกที่รับอิสลามคนที่คนที่สองใครรือเปล่าท่านยิงคนเดียคนที่สามใครท่านอบูบักรอเดียวลอวนคนที่สี่ใครไซนาอาลีมีอีกสี่คนพี่น้องต้องการจะอธิบายว่า มีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งพออย่างวันนั้นนะ่ะมีแค่สี่คนแต่วันนี้แค่พันสี่รอยปีเท่าไรสองพันมันเกินกว่าถ้าพิษปีละปีละปีปีละร้อย ล, ล, ล้านใช่ไมมันก็แค่หนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนใช่ไหมล่ะอันนี้มันสองพันล้านน่ะ อันเปละเปลกีราเนี่ยเปะเปรละกีรนะ่านะีและโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมุสลิมเป็นาศาสนาเดียวที่ถูกด่ามากที่สุดใช่หรือไม่ใช่มุสลิมเป็นาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาเดียวที่ถูกตําหนิมากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับแต่เป็นไงครับยิ่งถูกตําหนิยิ่งถูกนู่นถูกนี้ยิ่งอะไรอักูอาอนอะไรไหน อิจ่าญะอานุสสรุลลอฮิวะลิฟ أ ตุวะรออิตนะใช่ไหม m u h ม m m ั d เอยเมื่อหลังจากท่านพิชิตนครมาการเสร็จแล้วท่านจะได้เห็นผู้คนรับอิสลามเป็นหมู่หมูเป็นเรื่องจริงครับขอให้เราเนี่ยพูดพุดทธค่สามสามคำเองเวลาข่าวมาว่าคนที่อิสลามสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาอัสตะฟุรุลลอฮ์พูดได้ไหมห้าม พูดแค่นี้เอง น, อ น, อน้อมน้อมท่มตนให้อภัยกับคนอิสลามจะจะเริ่มจะอดใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอย่างโอ้ห้ามดุดลีลาตุลลัว่านาบีหมัดเป็นคนแรกที่รับอิสลามที่เผยแพร่อิสลามนะคนที่สองท่านหญิงอาขอดียะให้กำลังใจท่านนาบีแล้วก็เพื่อนนบีท่านนาบูบักเนี่ยหลังจากนาบีชวนรับเลย แต่ท่านาบูบักไปชวนต่อได้อีเจ็ดแปดคนอีกในพมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยโอ้โหได้มาอีกเต็มเลยนั่นยุคๆนั้นนะเขาทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามบันดาอิลัลลอฮนะครับเอาต่อมาครับอายาที่สิบสามกุลอินนีอาค์ฟูอินอาไซตุรบบี อาดับยามอัน عظيم กลอินนีอาชั่ฟุอิน عصيت ربي อาดับยามอัน عظيم อัลลอฮฺอักบาร์มามาเอ๋ยจงประกาศนี้พูดกี่ครั้งเนี่ยสามแนะกุลกุลกุลนะพูดสามครั้งนล้นะอินนี ฉันแท้จริงฉันอาคอบฉันกลัวให้นบีประกาศว่าอินนี่อาคอบฉันกลัวอินนีอินอาซอยตัถ้าหากฉันอาซอยตัวฉันฝ่าฝืนหรือทรยศถ้าฉันฝ่าฝืนหรือฉันทรยศรอบบีพระผู้อาภิบาลของฉัน ถ้าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวไม่เชื่ออัลลอ์ฉันกลัวว่าอะไรนะอาลาการลงโทษพูกลว่าคนที่ไม่เชื่ออัลลอ์เนี่การลงโทษมีเป่ามีแต่ลงโทษของอัลลอ์เนี่ยตอนไหนหรู้เปล่าหลังหลังอะไรหลังตายนี่แหละตรงนี่แหละ ในคำพีอายาอื่นอัจฉริยะอีกุรานยังบอกว่าถ้าหากฉันนี่นะไม่กลัวมุมลินจะเดินตามคนกาเฟชฉันจะให้บ้านคนกาเฟชทําด้วยทองให้หลังคาทําด้วยทองบันไดทําด้วยทองทุกเสียงทุกอย่างทําด้วยทองหมดแต่กลัวมุสลิมจะทิ้งอิสลามเดินตามคนกาเฟ เดินตามมาถลายแล้วนี่เดินตามมาถลายแล้ ว, ามมาาลวอาชีพกลับมามีไหมมีครับเห็ยังนี่ถ้าอ่านกุถ้านั่นคนที่เป็นมุสลิมต้องอ่านคุรานถึงอลัลลอฮ์จะเปิดใจครับถ้าไม่อ่านกุรานไม่ฟังศาสนาเลยนะอร่อยบรรดุยายิ่งห่างศาสนาอลัลลอฮ์ยิ่งให้รวยอยิ่งชิ้งอลัลลอฮ์ไม่เอาอลัลลอฮ์สบายเลยเล่าวกว่ากินได้ผู้ยิงมาทําดีนะตอนนี้โรคโควิดมาทําได้ไหมล่ะ นี่ถ <aunque no whoa |mt|> ้าเราเนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะโรคโควิดนี่เตือนนะเตือนนะผู้หญิงเมื่อก่อนมุสลิมอาระเราถูกด่าใช่ั้ยล่ะปิดหน้าและวันนี้ปิดกันทำไมอ่ะปิดกันหมดเลยไปไอ้โมงหมดเลยอ่ะพญาเราถูกตำหนิถูกด่าลูกสาวเราถูกด่า กระทงสานไปเรียนที่อิกรอเนี่ยปิดหน้าทุกดานะอดทนไหมอดทนครับแต่วันนี้ปิดจะามาอะไรอย่าบ่นสิเพราะกลัวโรคโควิดแต่เรานี่ยปิดพเพราะกลัวอัลลอฮ์ตางกันไหม น, ะนี่อาญา้เตือนกอลัวอัลลอฮ์ถ้าฉันทรยศต่อพระผู้อาบิบาลของฉันอาซากับอาซาบฉันกลัวการลงโทษตอนไหนครับ ยาว์มินวันหนึ่งอาซีมุนที่ที่ยิ่งใหญ่ที่มหันบนโลกโดุจยาในการลงโทษไม่มีเข้าใจนะยิ่งห่างอิสลามยิ่งไม่เอาอัลลอฮ์ยิ่งทำบาปทำนู่นทำนี้อัลลอฮ์ให้สารภาพทุกอย่างเลยรวย้วยมีชื่อมีเสียงมีตำแหน่งอยู่ในสภสภาเต็มไปหมดแต่ว่าอาคคีอรอรอดไหมเนี่ย อาจจบายเอาเมงอัลีวันนันยิ่งใหญ่ไม่รอดครับแต่รอดบนดุญยาออะเลือกเอาจะรอดบนดุญยารออัคิีรอรอดอัคิร อ, ด, ร อ, ด, อ, รอ ด, ดีกว่านะอัลลอฮ์ระกทรยยต่ออัลลอ์เนี่ยมีเยอะนะผมขอยกขอยกขอยกตัวอย่างนะยาสัพยาสัพ ย, ย, ยาถอนคิ้ว ที่าผู้หญิงนะ่ะผู้ชายด้วยมีผู้หญิงอยู่มีผู้ชายอยู่คนหนึง่งชื่ออัมดุลลอ์บินบินอะไรนะบินอุมัด <c oughs> ไม่ไม่แต่งงานชอบอยู่คนเดียวละภรรยานับีเนี่ย <c oughs> ชื่อฮับซอเป็นลูกสาวท่านไซนาอุมัดเจออัดุลลอ์บินอุมัดก็พี่พี่กัน พ, พ, พ, พเป็นเป็ น, ปนพี่น้องกันนะ เขาเตือนดีก็บอกน้องเอ้ยแต่งงานเถอะฟฟอินนะ่ะวาลาดกาลาก า, กาเมื่อคุณแต่งงานแล้วมีลูกลูกของคุณจะขอดูอาให้คุณนึกตรงนี้ที่คุณเนียไม่แต่งงานนะเนียดผิดนี่พี่สาวนะแต่งงานกับท่านนาบีนะยังขับซ่องเตือนน้องชาย น้องชายเอ้ยแต่งงานเถอะเพราะว่าพราะแต่งงานเรามีลูกลูกคุณนะจะขอดุอาให้คุณไม่เอาเลยพอเรามีวันเกียร์มาเรามาจะตายแล้วตายเลยไม่เราตายแล้วก็วฟืน้นแล้วก็ลูกเราตัางหากที่ขอดุกอาให้เราไม่เอาเรอเห็นไหมฉะนั้นเวลามีลูกทำไงครับต้องให้ลูกเข้าใจ ศาสนาคือสิ่งแรกครับจะจบอะไรก็อเรเล่จบวิศวะก็ว่าปไปแต่ว่าลูกทุกคนต้องเข้าใจอิสลามจะได้ขออุทให้พ่อแม่ตัวเองที่ตายไปแล้วนี่ท่านภรรยาอบบีอิห ม, มัมอิหมัมชาบาับอิงริมุลลอฮมันคืงข้อดีสน้มาแต่เาว่าวอินนาวะลาดะกะละกะวะลดุนฟะอะมิมบดดิ า, ดาละกะ ลูกของท่านหลังจากคุณตายไปแล้วจะได้ขอดวอาให้ให้พอ่อให้แม่ไม่ดี <c oughs> อย่างครับเขาเตือนกันสอนกันอย่างนี้ผแต่อีกเรื่องหนึง่งเวลาคนคนป่วยเนี่ยมีคนแจ้งว่าฉันป่วยเนย่ต้องขอดวงอาต้องต้องต้องท่องดูงอาแล้วนะอัลฮะบิลบาสอะรับบานาสอิชฟิอันตะชฟิลาชฟาอิลาชฟา ชิฟ้าอัลลอฮฺยูบาร์ดิลซาขมันลาพระสัตว์ตัวโหินซ์ต้องขอขอภาษาไทยก็ได้ที่อัลลอฮฺให้ท่านหายจากการเจ็บป่ว ด, ดนี่เป็นมารยาของอิสลามหมดเลยมีเพื่อนโทรมาเป็นโรคโควิดขอเลยอัลลอฮฺจะให้ท่านหายจากการจากโรคโควิดเพราะฉะนั้ใช่อ่ะเอาอิสลามมาใช้นะช่วยประจำวันนะครับแล้วก็เรามีลูกสอนลูกให้นามานเนี่ย เป AH ็นงานที่ประเสริฐนะผมอ่านคุณอ่านพบสุรามารยามอายาที่ห้าสบห้าไปเปิดดูสุรามารยามอายาที่ห้าบห้านะอัลล์ชมนบีนบีไรนบีอิสมาอนลฮิสลามชมว่อย่างนี้ว่ากนนายะมรุอลฮบิอลาตีวกว่กนอินดรับบีมารย อัลลอฮ์พอใจนบีอิสมาอาลิลัยฮิสสลามทำไมเอาเรื่องเก่ามาเล่าผู้ให้คนได้สานึกนะฉันนี่อัลลอฮ์นี่พอใจนบีอิสมาอาลิลัยฮิสสลามเพราะอะไรเพราะเขาสั่งใช้คนในครอบครัวของเก่าให้ทํำนมาแล้วก็ให้จ่ายสกาดให้ลูกบริจาคลูกเอ้ยบริจาคไปเถอะทำบุญแต่บุญพ่อพูดอย่างงี้น่ะอัลลอฮ์พอใจอยู่ข้างบนเนี่ยยังไง นั้นพ่อแม่อยู่กับลูกอยู่ยังไงอยู่แบบอิสลามเอาคุอ่านนี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันอั Allah, ลลอฮฺนานัสซุลห์มารยัมอายะที่ไรห้าสิบห้านะวกาญนายะมูรุอัลลอบิสซาลลตุบะจุกาวกาญะอินดารบีฮิมารุดยะและเขานาบีนอิสมาอินได้สั่งแก่พรกพวกของเขาญาติพี่น้องของเขาลูกของเขาภรรยาของเขา ให้ยึดมั่นในการทำนามาต์และให้จ่ายากาศบริจาคทานและเขาเป็นคนที่โปรดป้านอัลลอ์อัลล์โปรดปานโปรดปานพ่อแม่ที่เอาใจใส่ลูกเรื่องอะไรเรื่องนามาต์กับเรื่องอากาศสบายใจไหมอัลฮัมดุลิลลาอายาสุดทายกุลกูลิลลาอาบูดู عبد مخلص ล ل ل ดีน ن ي คุณกล่าวเถิดมุมฮัมมัดนี่กี่ครั้งแล้วในกล่าวเนี่ยสี่แล้วนะอัลลอฮ์จงกล่าวว่าอัลลอฮ์ให้ยึดอัลลอฮ์องเดียวอาบูดูที่ฉันอะไรนะ พักดีต่อมุคลิซอนด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วหูดีนี้เป็นศาสนาของฉันฉันนับถืออัลลอฮ์องเดียวถูกต้องที่สุดอย่านับถือพระเจ้าหลายองค์แล้วก็ทำความดีเหนียดสองอย่างได้ไหมเนียเพื่ออัลลอ์ด้วยรางวัลแล้วก็ให้คนชมได้ไหมอะยะสุดท้ายกับ ف َ ع ْ ب ُ و د ُ م َ ا ش ِ ت ُ مِنْ د ُ ن ه ُِ ل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خ َ س ِ ر ُ و ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َ ل َ ذ َ ل ِ ك َ ه ُ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ฟะบุดูมาชืดุมิหนูนีกลืนนัลข้าศรีนัลลาดีนัข้าศร م อัมฟุสะฮุมวِาอ يَ ลิฮิมเยอม ذلك هو الخسران المبين الله أكبر ยาสุดท้าย ล l l a h บอกกับนบีเองมาดเอ๋ยจงประกาศว่าบูดูให้ประกาศกับพี่น้องชาวมากักการนะที่แอนตี้นบีที่ดานาบีที่ไลน์นบีออกจนคอนมกักการนะ <c oughs> จงคารพจงสักการะบูชาเถิดฝ่าบูดูจงสักการะบูชาเถิดมาชิตุม้มที่พวกท่านประสงค์ เห็นอย่างครับอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับใครให้นับถืออัลลอฮ์เข้าใจนะเนี่ยฟบูดูให้น บ, บีประกาศจงเคารพพรกดีจงสักดะมาชิตุม้มที่พวกท่านประสงค์มินดูนิีอื่นจากอัลลอฮ์ตามสบายเลยริสกีฉันให้ไหมให้ครับ ให้บ้านไหมให้บ้านให้เมียให้ลูกให้สารพัดไม่เอาเอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ก็ให้เห็นยังครับฉะนั้นบอกมอมัต์ประดานไม่เอาอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาฤากีคุณได้เหมือนเดิมเมียได้ด้วยลูกได้ด้วยมีที่ดินด้วยมีรถขับด้วยมีตําแหน่งด้วยเอาไปเลยครับเข้าใจนะอ่าต่ออ่นต่อไปกุลม อ, อมัต์เออจมประกาศต่ออีก อินนัลคอซี ร, รินคอซี่ว่าผู้ที่ขาดทุนอยู่บนดุงยาเนี่ขาดทุนไหมไม่ขาดทุนครับไอ้ยาวักนี่ในตอนนี้ในตทหารจริงมันเจ็บนะอ่ากุลมามาเดินจงประกาศอินนัลคอซีรินแท้จริงผู้ที่ขาดทุนใครอัลลาดีนคะอซิรแท้จริงผู้ที่ ทำตัวของเขาขาดทุนอัมฟุสะหุมตัวของเขาทำตัวของเขาขาดทุนแล้วก็พายะอาลีหิมแล้วก็คนในครอบครัวของเขาขาดทุนคือไม่ได้สอนอิสลามในครอบครัวท่างหากเห็นอย่างครับอยู่ไปเถอะบนโลกดุนยาไปนี้ไม่เอาอัาลลอฮ์อ ย, อยูไไ่ได้ไม่ได้ดีกว่าดีอีกสิมองใครก็ได้จะกินอะไรก็ได้เพราต้องอ่านบิสมิลลา สบายไหมเข้าบานไหมครับโควิดนี่ห้ามนะแต่คนแอ บ, บมีไหมมีเอาไปเลยเชิญตามสบายเลย <c oughs> เรยวคลัสเตอร์ยังไง <c oughs> ฉะนั้นจงเคารพจงศักดะินะครับบูชาไปเถอะอื่นจากอัลลอฮ์ตามที่ท่านประสงค์ กุลมหามาตยเอ๋ยจงประกาศต่อนะอินนัลคอศรรินแท้จริงคนที่ขาดทุนยิ่งอัลลอฮน่ะขอศรรู้ก็คือคนที่ขาดทุนทําตัวขาดทุนตัวของเขาเองบุอาลีฮิมดับครอบครัวเขาเ ย, ยาวมา์มาติยามะมื่อได้ครับวันเติยามานูเปิดหูเปิปตายังแสดงว่าอยู่บนดุงจนทรนี่ขาดทุนไหมไม่ขาดครับ อาฟาโรขาดัหมไม่ขาดกอรูดขาดไหมไม่ขา ด, ขา ด, ขาดเงินมีไหมแต่ก่อนตายตายแบบไหนกับตายแบบจมน้ำพอจมน้ำปั๊บเห็นเลยอายาที่ไม่เอาอลัลลอนะ์น่ะขาดทุนยังยี้ละ่ะที่ไม่เอานบีมูซาเป็นนบีนะ่ะขาดทุนแบบนี้หรือยุคนบีมาฮัมมัดไม่เอานบีมุฮัมมัดไม่เอาอลัลลอ์ไม่เอาสุนนนบีมาขาดทุนตอนนั้นตอนตาย คนโทตายพับถึงวันกี่มาเลยพอเห็น ป, ปั๊บอ๋อยาอัลลอฮ์จะฉันขอกลับมาแก้ตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้กลับมาแก้ตัวนอนอยู่ในกุโบนในบนนะวันนึงไม่รู้ว่ากี่แสนกี่แสนครั้งบนว่างี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้บามายาวัดุลลาีนากาฟารูล่ากาโนมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองนะหลาย บ่อยครั้งเหลือเกินที่คนอยู่ในปุโบเนี่ยบ่นว่าฉันตายเป็นมุสลิมก่อนก็จะดีเสียนี่กะไรขาดทุนครับขาดทุนไหมขาดทุนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ขาดทุนที่ไม่เอานบีมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างขาดทุนที่ไม่ไม่ไมไมไมรู้จักอิสลามอะล า, าจงรู้ไวเถิดว่าละลิกะฮุลคุสรานุลโมบิน คุสรอนได้ว่าเป็นการขาดทุนที่มูบีนที่ชัดแจ้งที่ขาดทุนแทๆ้ๆที่เห็นชัดๆเลยมุบีนตอนนห้ครับหลัมจากตายไปแล้วถ้าไม่ตายเห็นไหมไม่เห็นแต่โรคโควิดนี้สอนให้นึกตายร้อยคนเจ็บห้าพันคน เตียงไม่พอหมอไม่พอกลัวกันหมดแล้วนี่ถ้ากลัววันอาคิรอดแบบกลัวโควิดนี่ปลอดภัยไหมล่ะนี่บนดุญยานี่นะหมอไม่พอเตียงไม่พอกลัวกันหมดเลยครับระวังกันนาดูเลยไอระวังแบบนี้ระวังอะไรนะไม่ใช่ระวังเพื่อเอาล็อกกลัวตายบนโลกดุญยาแต่ถ้าระวังอาคิรอดด้วยจะยดีได้ไม่ดี ท่นไม่กล้าทําน่นทํานี้ทํานี้เพราะเรากลัววะในวันเกี่ยมาโรคโควิดนี้ตัวช่วยนะเป็นตัวประคองเป็นตัวช่วยนะแต่ว่าหลายคนสํานึกหรือเปล่าไม่รู้เราบังคับเขาไม่ได้เล่าให้ฟังอย่างเดียวตกลงว่าขาดทุนไม่เอาศาสนาขาดทุนตอนไหนหลังตายใช่หรือไม่ใช่ ก่อนตายนี่ขาดทุนไหมไม่ขาดทุนอล่องให้เงินให้ทองให้ชื่อเสียงให้กิยศให้ตำแหน่งให้บ้านให้นู่นให้นี่เชิญตามสบายเลยพอวิญาณมาถึงเขาหอยฟาโรนะอ้ามันตูฉันอีมาแล้วที่มูซาสอนทำไมกลาล่ะครับเพราะเห็นแล้วง่ะอ้าไม่เชื่อลองตายดูหมดเวลาครับสุภาก้องอมาว่าบิฮัมดิขลละฮิลาอลอันตัสตะฟรกาวะตูบิไล صلى الله ع ا ل ى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ا ل ح م د لله